ถ้าพรรษาขึ้นมาแล้วไม่รับผิดชอบโตโตเต๋อไม่ทันคนแล้วจะไปแต่งแต่งตั้งทำไมต่อแต่งตั้งขึ้นมาแล้วก็ดูแลกเสียหายต่อวัดว่าต่อคณะสงฆ์ต่อหมู่พวกเพื่อนอันนี้พวกเราก็ต้องดูอีกเหมือนกันพวกที่ต้มน้าเออเอาไอ้องค์หนึ่งเป็นหัวหน้าสององค์เป็นลูกสมนุนอันนั้นไม่ว่ากันเพื่อการเรียนรู้ทุกองเมื่อเราเข้ามาก็ฉันน้าด้วยกัน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 เรารับเป็นเวนสลาแล้วก็ต้องทำหน้าที่เวนสล า, หลาให้ดีที่สุด trees, ในเมื่อเวนน้ำร้อนเราก็ทร yeah. <iye> ับหน้าที่เนเวนน้าร้อนให้ดีที่สุดในเมื่อเราไม่ได้ทำหน้าที่ในเวนทั้งสองเราก็ทำหน้าที่ทั่วไปร่วมปัดกวาดทำความสะอาดไม่ล่มเวลาไหนที่ลงมือปัดกวาดลงเวลานั้นอย่าให้คนอื่นหนักใจกับเราไม่ใช่ว่าตัวเองทำตัวๆเตะๆหล่อๆเรแหละ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 เวลาขมูทําเสร็จแล้วจะค่อยดมดมเร่แม่มาเวลากินเนื่อยกว่าเพื่อนเวลาฉันเนื่อยกว่าเพื่อนเร็วกว่าเพื่อนเวลาของอะไรถึงได้ตกมาดีกว่าเพื่อนรู้จักไม่เอาเปรียบหมูเพื่อนตลอดอย่างนั้นมีไหมพระในวัดของเราดูนะถ้าอกไหนเป็นลักษณะอย่างนั้นบอกมาถ้าพวกท่านไม่กล้าบอกเองบอกมาเดี๋ยวหลวงพ่อจะจัดการหลวงพ่อต้องการพระคุณภาพเท่านั้น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 คนนี่แหละขายยาบ้ายามากคนนี่เราเคยฆ่าคนเคยเนี่ยเคยคดเคยโกงมาก่อนพอได้ยินต่างคนก็ต่างหนีออกห่างเพราะอะไรเพราะใครๆก็กลัวความชั่วกลัวมันจะแปะแปดเปื้อนพวะนั้นน่ะพวกเรารู้แล้วอันไหนดีอันไหนชั่วมาศึกษาถึงขนาดนี้ไม่รู้เหรอดีหรือชั่ว เ, เราก็ต้องทำตาม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 หรือคดูแลสุขภาพพ่อแม่วงศาระคณะญาติใครก็ตามแต่เงินสรุปแล้วกือคือส่งึงโรงพยาบาลญาติปีน้องเพลินฟูงพ่อแม่ลูกหลานถึงจะรักเมตตาดีขนาดไหนก็เป็นคนดีขนาดไหนก็ได้ตระกูลดีเราเกิดในตระกูลดีแต่พน้นในสุดก็ส่งึงเมรนนะ์พอถึง่งึงเมร์ไม่มีใครที่จะกระโดดเข้าไปอยู่เมรกับเราทนะ่น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 เป็นเพื่อนสองในดวงวิญญาณของเราเป็นผู้นำพานำไปสูป่ปรรโลกภายภาคหน้าถ้าว่าเราทำกรรมชั่วสิ่งที่มันชั่วเราทำบาปอักุศนก็เป็นเพื่อนสองของเราอีกนี่นำเราไปถ้าเราทำบาปหนักตกนรกหลุมลึกตกอเวจีมหานรกนถ้านำทำอันตริยกรรมห้า